สวัสดีวันนี้เรจะพูดถึงเรื่องท่านพระอรหันักองค์น่ะท่านพระอรหันทรองค์เนี้มีความแปลกประหลาดทําไมถึงเรียกว่ามีความแปลกประหลาดเพราะว่าท่านไปสมเด็จพระอรหันต์บนโคช้างท่านพวกนั้นคือใคร ถ้าพราะนั้นได้นำว่าสันตติอมารผู้ที่เป็นนายทหารชั้นเอกของพระเจ้าแผ่นดินได้ไปปราบโจนที่เข้ามาก่อกวนที่ชายแดนราบคาบสำเร็จพระเจ้าแผ่นดินก็เลยประทานรางวัลอันงามให้แก่ท่าน สันตติอมารสันตติอมารก็ได้รางวัลโดยการที่ได้ปกครองเมืองอยู่สิบห้าวันแห่ปกครองแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็หานางบําเรอที่สวยงามให้กับสันตติอมารอยู่ตลอ ด, ดเวลาทั่งตลอดเวลาที่สิบกว่าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่ง มีสาวคนหนึ่งเท่จับใจออของท่านสันตติอมาตก็เรียกว่าร้องรำทำเพลงนานไปก็เลยตายลงไปในขณะกลางคันท่านสัสนตติอมาตยับยั้งใจไม่ได้เกิดความโศกเศร้าอะไรต่างๆไม่เอาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แม่บอกว่าเสียใจไม่รู้จะมีการหัห้ามใจอย่างไรได้นี่แคเรียกว่าอํานาจอํานาจของกิเลสอํานาจของกิเลสเนี่ยสามารถที่จะทําลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัญญาอารรมไปปราบจรผู้ร้ายนับพันนับหมื่นสําเร็จแต่ปราบผู้หญิงคนเดียวไม่สําเร็จก็เพราะว่า มีกิเลส ท, ที่ผูกมัดจิตใจฉะนั้นสนรรตดิอามาจึงหมดหนทางก็มีคนเขามาเตือนบอกว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้ า, อ, าอยู่ที่วัดพระเชตวันขอเชิญท่านไปห า, าไปกราบทูลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจ่า ได้แก้ความโศกได้สันตติอามาตได้ขึ้นขี่โอช้างเดินไปจากวังแล้วก็เข้าไปที่พระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ไม่ทันที่จะลงจากขอช้างอยู่บนขอช้างนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระสุรเสียงอยู่ที่คันทากุติ ให้แกสันติอมาตโดยพระพุทธองค์มาพิจารณาเห็นว่าสันติอมาตจะได้สำเร็จเป็นพระอาหารในวันนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่านาทีโสโกโกุโตพยังถ้าหากว่าบุคคลผู้ไม่มีความโศกก็ไม่มีภยัยปิยะเตาชายยะเตสโสโกปิยะเตาชายยะเตพลัง มาปิยเตชัยวิมุตตินัติโสโกโกุโตรพ ย, มยามปียเตชยเตโสโกความโศกเกิดขึ้นแต่ความรักภัยก็เกิดขึ้นแต่ความรั ก, ก, เ, ก, มรกเมื่อเราตัดทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วภัยจะมีมาแต่ที่ไหนคําที่พระองค์ตรัสไม่มีไม่กี่คำํำเยอว่าปียเตชยเตโสโ ก, โก ปิยะเตชยเตพยัยปิยะเตวิปมุตตะนัตถิโสโกกุตโพลังพยายมเท่านี้เองทำไมสันติอามาตอยู่บนโคช้างได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันติอามาตยนั้นกำลังเมาสุลากำลัง เ, เรียกว่าคลุกเคลียอยู่ในกามคุณสารพัดแต่เมื่อมาถูกธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่คำทั้งหลายขอให้เข้าใจว่าพลังเจ็ดที่สันตติอัมมาต์ได้สะสมมานั้นตลอดระยะเวลาหลายชาติได้รวมตัวเป็นพลังเรียกว่าเป็นจุดพลังอำนาจเพราะว่าพลังเจ็ดที่คนทำสมาธิเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะไม่สูญสลายตัว มันจะฝังตัวอยู่ในจิตของบคุคคลผู้นั้นครั้งหนึ่งก็ฝังสองครั้งก็ฝังร0อยครั้งก็ฝังกี่ร้อย็ฟังก็ฝังฝังไว้อยู่ที่นั่นโดยที่ไม่มีการสูญสลายตัวจนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจเพราะฉะนั้นพลังจิตที่สันญิติอมตจสะสมม า, า, มาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันชาตินั้นได้เข้ามารวมตัวอยู่จุดเดียว แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเช่นนั้นจึงให้สันติอมัดพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตของสันติอมัดก็เข้าไปหาจิตเดิมเมื่อเข้าไปหาจิตเดิมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมสว่างเกิดดวงตาเห็นธรรมก็หมายความว่าไม่ใช่ตาธรรมดาคือถ้าหากว่าเป็นตาธรรมดาเนี่ย พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงเท่านั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุอะไรได้แต่ว่าสันติอัมมัดมีพลังจิตที่สะสมมาแล้วเป็นหลายร้อยหลายพันจาติก็ได้ผุดขึ้นมาเกิดจุดพลังอำนาจในขณะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมดวงตาก็ดวงตาก็เห็นธรรมสามารถตักเกล็จได้ทันทีแล้วก็ลงจากคอช้าง มากราบทูลขอบัเ อ, อมากราบทูลพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ขอบรรพชาแล้วสันติอมามัดก็ได้ปรินิพานในในเวลาอันไม่นานต่อมาเพราะฉะนั้นการที่เราพากันทาสมาธิสร้างพลรัรงจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณภาพคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ในที่นั้นมากมาย เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวว่าในพลังจิตนั้นมันจะกรอบมันจะประกอบไปด้วยบุญวาสนาบารมีมันจะ อ, อยู่ในพลังจิตอันนั้นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตตนตาม ต, ตัวเราไปตลอดเพราะฉะนั้นในการที่เราพากันสนใจในการทำสมาธิจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะได้มี กำลังบุญวัสนารรมีและการทำสมาธิก็ไม่ยากสามารถที่จะทำได้ด้วยกันทุกคนเมื่อเราพากันมีศรัทธามีความตั้งใจอยากที่จะทำสมาธิแล้วโอกาสก็จะเป็นของเราสวัสดีสา